มีเวลาหรือนิดหน่อยสรับการตอบคำถามเผื่อท่านใดที่มีข้อสงสัยก็เชิญถามได้ถ้าเชิญ คนที่มีอุดงกติก็ก็มีนะหรือว่าเคยมีนะอย่างสมัยตะหมายัางเด็กๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนเปไ็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยก็ยังได้ยินหรือได้รู้จักสอสอที่ยากจนนะอย่างเช่นสอสอในภาคอีสานเนี่ยก็มีหลายคนนะที่ที่ได้เป็นสอสอโดยที่ไม่ได้ร่ารวยอะไเลยเช่นแค่เราไปติหรือว่าสมคิดสีสังคมอะไรเงี้ยนะภาคใต้ก็คงจะมีเหมือนกันอย่างคุณชวนอะไรเงี้ยตะหมาคิดว่ามันมีนะคนที่ รักบ้างเกิดเมืองนอนแล้วก็เสียสละทุ่มเทนะอย่างคุณเตียงสิริขันหรือว่าเสือที่เป็นสรีรัฐมนตรีอีสานในสมัยสมัยานายกประดีพนมยงเนี่ยกำลังถูกคาดตายในสมัยจอมพลปก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นครูแล้วก็เห็นความยากจนของอีสานก็เลยสมัครมาเป็นสสเพื่อเป็นปากเสียงของชาวบ้าน แล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่มีอยู่ตรงพินะเตียงสริดคันทวินอุดดนทองอินภูริพัฒนอะไรเนี่ยทองเปลวชลภูมิพวกเนี้ยพวกนี้ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นรัฐมนตรีอะเป็นสสที่ที่อุที่ตัวเพื่อประชาชนแล้วก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรเอ่อตามมาชื่อว่าคนดีคนที่อยู่ตรงพิมีแต่ว่าระบบที่เป็นอยู่อาจจะทําให้คนเหล่านั้นเนี่ย ขึ้นมาไม่ได้หรือทำให้คนเหล่านี้มีน้อยลงเพราะว่าแพ้แพ้ต่อต่อกิเลสนะต่อเงินตราแต่เราก็ต้องยอมรับนะว่าตอนนี้วัตถุนิยมนี่มันแพร่ระบาดไปไกลมากแล้วก็ลึกซึ้งมากแม้กระทั่งนักปฏิบัติธรรมหลายคนก็หรือคนที่เข้าวัดเข้าวาก็ จำนวนไม่น้อยก็ไม่มีภูมิต้านทานนี้พอ ต, ต่อมาก็ได้ทามอดอย่างเช่นบางคนก็เป็นนักปฏิบัติธรรมชอบเข้าวัดนะแต่ว่าเวลาทำงานก็ก็ไม่ค่อยซื่อสัตย์สุจริตอย่างเช่นมีโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยโรงพยาบาลนี้เดี๋ยวนี้เขาใช้ระบบ P4P นะคือว่าให้ให้เงินตามชั่วโมงที่ทำ และโรงพยาบาลนี้เนี่ยซึ่งเป็นโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยก็ไว้ใจทั้งหมอพยาบาลก็ให้กรอกไปเลยว่าคุณทำงานกี่ชั่วโมงคุณก็กรอกไปไม่มีการตรวจไว้ใจก็มีหมอคนหนึ่งเนี่ยกรอกแบบเบื่อๆไปเลยนะซึ่งถ้าเอามาคำนวณแล้วเนี่ยแกต้องทำงานเวลา25ชั่วโมงถึงจะจะไ ด, ได้ได้ปริมาณงานขนาดนั้นนะแล้วแกก็เป็นนัก เป็นคนที่สนใจธรรมะปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ประท้วงต่อต้านนักการเมืองคอร์รัปชันด้วยใช่ไหมไอ้แบบนี้มีเยอะนะคื อ, อต่อต้านรังเกียจนักคนคอร์รัปชันแต่ว่าตัวเองนี่ก็กไม่เบาเป็นเงนินนะเพราะว่าเรามักจะเห็นคนอื่นง่ายแต่ว่าไม่เท่าทานตัวเอง แล้วเขาก็คงมีเหตุผลนะว่าฉันทำงานเยอะนะฉันก็ต้องมีเสร็จที่จะทำอย่างนี้บ้างตัวเลขที่น่าสนใจนะเป็นการวิจัยนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะก็วิจัยไปเขาบอกว่าคนร้อยคนเนี่ยจะมีหนึ่งคนหรือหนึ่งเปอร์เซนที่ไม่โกงเลยอีกหนึ่งเปอร์เซนจะพยายามหาทางโกงหลือรัทางขโมยตลอดเวลานะหนึ่งเปอร์เซนตเนี่ย จะไม่ขโมยไม่โกงเลยอีกหนึ่งเอร์ซนเี่ยจะหาทางโกงหรือว่าขโมยที่เหลือซื่อสัต์ตัดใดที่ยังไม่มีโอกาสเก้าสิบปดเปอร์ซนโอ้นี่น่า ก, กลัวเลยนะแต่คนนี้เนเขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยนะไอ้เอกบดเซนเนี่ยนะียโกงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโกงโกงแบบน่ากเกลียด น, นะอาจจะโกงจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ ขโมยสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างที่ตามาเล่าคนเราเนี่ยขโมยง่ายหรือโกงง่ายถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือถ้ามันไม่เกี่ยวกับเงินคนเรานี่ถ้าจะถ้าจะขโมยเงินทีเดียวเนี่ยนะมันไม่กล้าเช่นสมมุติเราเอาเอาเอาเงินร้อยบนโต๊ะนะกับเอานาฬิกาเอาปากกาหรือว่าเอาเอาน้ำอัดลมร้อยบนโต๊ะเนี่ยที่ที่มีคนเดินผ่านไปมาผ่า น, ผ, านผ่านมาเนี่ยเงินอาจจะไม่มีใครแตะนะแต่ว่า โปก็ดีปากกาก็ดีนจะหายใช่ไหมเนี่ยเปเปซ็นเป็นอย่างนี้ก็คือว่าไอ้เงินเนี่ยไม่เอาแต่ว่าจะเอาไอ้สิ่งที่ไม่ใช่เงินอาจจะแล้วก็มักจะที่เอาเนี่ยมักจะอ้างเหตุผลมีข้ออ้างเพื่อให้รู้สึกดูดีว่าฉันไม่ได้โกงไม่ฉันไม่ได้ขโมยเช่นขอยืมไปชั่วคราวนะหรือว่ า, านิดหน่อยแค่นั้นเอง หรือว่ายืมไปให้คนอื่นนะคนเราเนี่ยจะมีเหตุผลในการโกงนะหรือในการขโมยเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดูดีนะไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องระวังเพราะว่าถ้ามันเริ่มต้นจากเล็กๆในน้อยแลวเนี่ยมันก็จะค่อยๆไหลเอียงไปสู่ ของที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับที่ตมาเล่าเรื่องเกษียณเนี่ยซึ่งเริ่มต้นจากคนที่เกียดเล่าด่านคนที่กินเล่าเนี่ยสุดท้ายก็ onwards, เสร็จเล่าไปเลยนะค่อยๆค่อยๆไหลไปเทเลนิดทเลนิดทเลนิดทเลนิดนะงั้นเขบอกเนี่ยคนเราโกงง่ายถ้าเกิดว่ามันเป็นเงินมันเป็นของที่ไม่เกี่ยวกับเงินหรือถ้าเป็นเงินเป็นจํานวนเล็กน้อยหรือโก ง, งง่ายเพราะว่า เราสามารถจะมีข้ออ้างนะถ้ามีข้ออ้างให้รู้สึกว่าดูดีเราก็จะทำํำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมกัก็มักจะเกี่ยวข้องกับเงินเล็กๆน้อยๆของเล็กๆน้อยๆแต่ปัญหาคือว่าพอเล็กๆน้อยๆแล้วเนี่ยครั้งต่อไปก็ง่ายขึ้นที่จะที่จะทําบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นและจากบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นก็จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่มากขึ้นก็ก้อนใหญ่มากขึ้นคอร์รัปชันมัน มันเริ่มต้นแบบนี้นะมันไม่ใช่อยู่ดีหัวภาพโกงกันเป็นสิบล้านย0สบล้านเลยมันเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆค่อยๆทำแล้วทำบ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นเหมือนกินเหล้าเนี่ยเหมือนคนติดยานียังไงอย่างนั้นเลยนะอขอเชิญนะ เ อ, อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะเหตุผลหนึ่งที่คนทําใช้คนคนมกักอ้างอยู่เสมอนะนอกจากที่คุณพูดมาแล้วนะก็คือว่าใครๆเขาก็ทํากันใครๆเขาก็ทํากันนั้นถ้าเราไม่ทําเราก็อยู่ไม่ได้นะอันนี้เป็นเหตุผลที่เป็นข้ออ้างแต่ที่คุณพูดเนี่ยอาจจะหมายถึงความกลัวด้วยว่า ถ, ถ้าเกิดเราอยู่เราทําแล้วคนอื่นไม่ทําถ้าเราถ้าเราไม่ทําแต่คนอื่นทำเนี่ยภัยอาจจะถึงตัว นะอันนี้เราก็กลัวการเป็นแกะดําอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงอันนี้อาจารย์บอกเนี้ยมันเป็นเรื่องของระบบด้วยถ้าระบบเนี่ยมันมันมันเป็นกันทั้งระบบเนี่ยนะมันก็ยากแต่ตรมาคิด ว, ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะรักษารักษาคุณธรรมของเราเนี่ยนะก็คงต้องเลือกดูว่า เราจะยอมประนีประนอมแค่ไหนหรือถ้าเกิดเราสู้ว่ามันเกินเกินกำลังและอยู่ต่อไปเราก็จะแย่ก็ไอ้ต้องอาหาทิศทางใหม่นะเพราะว่าถามมาคุมหมนะกับการที่มีงานทำแต่ว่าจิตใจมันผูกกรนผูกกร่อนเพราะว่ารู้สึกผิดนะที่ได้ ทำความชั่วหรือว่าทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะว่าเราจะเราจะรักษาจิตใจของเราให้เป็นผู้เป็นคนเอาไว้นะเพื่อที่เราจะสามารถจะมีความสุขไปมีความภาคภูมิใจกับชืวอของเราหรือว่าเราจะยอมอ่อนอ่อนเพราะความกลัวหรือเพราะกิเลสมัน มันบางตาก็ตามแต่งแล้วก็ตายเมื่อเราคิดว่าในสถานการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันคงจะไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดนั้นคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นกันทั้งระบบถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะหาคนที่คิดเหมือนกันมีอุดมการณ์เหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะร่วมมือกันเพื่อที่จะไม่ให้ถูกกลืนกินไปกับระบบนะมันก็ยังพรอมีพรอมมีโอกาสอยู่พอมีความหวังอยู่ อันนี้ก็ต้องช่วยกันสร้างสร้างสร้างสร้างเกาะนะที่ที่อยู่ท่ามกลางทะเลนะว่าท่านเปนไงถึงจะอยู่รอดปลอดภัยได้จริงๆตงมาคดนะว่าถ้าว่าเราซื่อสัตย์แล้วก็เราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยบางที มันก็จะได้รับความยอมรับหรือว่าได้รับความยอมรับจากคนที่เขามีอำนาจและเขาโกงอัตบันึกถึงอาจารย์ปุวยอุ่งผกกรเนี่ยสมัยที่อาจารย์ปุ๋ยอุ่งผักกรนี่ก็อยู่กับจอมสลริจิอาจารย์ปุ๋ยอุ่งผักกรนี่ก็เป็นผู้ว่าธนาคารชาติแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยเราเคยเป็นเคยเป็นผู้อำนวยการสํานัก ง, งานก็ประมาณด้วยไม่ทราบว่าเป็นพร้อมๆกันหรือว่าเออ่ คนละสมัยแล้วจอร์โมสลิดนี่เราก็ทราบว่าการคอร์รัปชันนี่ก็มากพราสมัยนั้นเป็นเผด็การอาหารเต็มที่แต่ว่าอาจารย์ป่วยนี่ก็สามารถที่จะยืนยัดทั้งในแง่ของความบริสุทธิ์ส่วนตัวแล้วก็สามารถที่จะรักษาธนาคารชาติให้ให้บริสุทธิ์เป็นกลางได้เป็นกลางหมายความว่าใช้ความรู้ในการตัดสินนโยบายในการวางนโยบาย จอมพลสฤษดิจะใช้ธนาคารชาติเพื่อประโยชน์ส่วนตัวยังไงก็ทำไม่ได้เคยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่จอมพลสฤรดิแต่ว่าเป็นจอมพลถนอมแล้วอาจารย์ป๋วก็บอกว่าขอลาออกถ้าหากว่ารัฐบาลอยางจะมาแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองก็ขอลาออกจอมพลถนอมก็ก็ไม่กล้าเพราะว่าส่วนหนึ่ง เห็นในความสามารถของจอมอาจารย์ป่วยอีกส่วนหนึ่งก็เคารพนะในความซื่อสัตย์ของอาจารย์ป่วยจอมบเสิก็ดีจอมบันทนอมก็ดีก็ทำอะไรอาจารย์ป่วยไม่ได้เพราะว่าแกมีสิ่งที่ภาษาฝรัง่งเรียกว่าอนะินติกริตี้อินติกริตคือความซื่อสัตย์หรือว่าความความมีคุณธรรมซึ่งทําให้แม้กระทั่งคนที่มีอำนาจคนที่มีคนที่มือไม่สะอาดนี่ก็ยังต้องต้องยอมยอม เราจะมาคิดว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะยืนหยัดมั่นคงจนเขาเห็นว่าเราเร า, ามือสะาจริงๆเขาก็อาจาจะเคารพแล้วก็ไม่มายุ่งยามกับเราก็ถือว่าปล่อยมันสักคนนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะก็โอกาสจะทำอโอกาสที่จะรักษา ความเป็นตัวของตัวแบบนี้ยังยังมีอยู่นะอาตมาคิดว่าในในระบบแบบนี้นะคือถ้ามันเป็นแบบถ้ามันเป็นแบบสงครามบ้านเมืองปั่นป่ว น, นจราจลวุ่นวายนะอันนั้นเนี่ยยากนะแต่ถ้าบ้านเมืองมันยังไม่ถึงขั้นปั่นป่ว น, นจราจลมันยังมันยังพอประคับประคองกันไปได้เนี่ยอาตมาว่าการที่จะรักษาความเป็นส่ว์หรือเป็นตัวตัวเองเนี่ยมันยังทําได้อยู่ แต่จะหวังความเจริญก้าวหน้านี้ไม่ได้น ะ, ะต้องยอมรับเลยซึ่งคนที่เขาเชื่อในเรื่องคุณธรรมเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่หวังตรงนี้อยู่แล้วเพราะนั่นไม่ใช่เป็นจุดหมายของชื่อของเขาความสุขเขาไม่ได้อยู่ตรงที่การมีมีสถานภาพสูงขึ้นไปเรื่อยๆจุดหมายเขาคือเขาได้ทําในสิ่งที่เขารักแล้วก็ภาคภูมิใจในความดีที่เขาได้ทำนะจริง อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องเดียวกับระบบพระนะระบบพระเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีแรงกดดันที่ทำให้เราต้องไปไปประคบไปแล้วไปประจบประแจงไปไปทำอะไรต่างๆไม่ต่างจากคารวะเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องไม่ได้หวังความเจริญในยศในสมณศักดิ์นี่นะเราก็ก็ยังเป็นตัวของตัวเราเองได้อยู่ดีนะอันนี้เอ่อ อันนี้ต้องต้องต้องต้องต้องทําใจไว้แต่ว่าจะเรียกว่าทําใจก็ไม่ถูกเพราะว่าคนที่เขาเขายืนอย่อยาแบบนี้ได้นี่เพราะเขาเขารู้สึกว่าให้ชื่อเสียงกิติยศหรือโลกธรรมมันไม่มีความหมายสําหรับเขาอยู่แล้วนะังนั้นจะจะอยู่แบบนี้ไปเขาก็มีความสุขของเขานะไม่ต้องได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเขาก็มีความสุขได้เพราะว่าความสุขมันอยู่กับกับปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่อยู่ภายในไม่ได้อยู่ที่นอกตัวไม่ได้อยู่ที่อนาคต ก็เปราเรต้องการนเที่ราทไ้ง่ายๆนกที่ะทุกก็คนที่เนาที่ไม่กามากรารรารมรมีการารมีการาเมีารีกาาการามกรารการารมารมารมีรกรารารีาราารก ตามหลักแล้วเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบแต่ส่วนรวมด้วยเพราะาเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเราก็มีหน้าที่อนะออทททขององค์กรนะก็คือว่าใครที่ทําไม่ถูกไม่ได้ทําตามกฎระเบียบขององค์กรเราก็ไม่ควรนิ่งดูดายก็ต้องหาก็ต้องหาทางว่าจะทําอย่างไรนะให้ ให้ให้เขาเนี่ยปฏิบัติตามตามกฎหรือระเบียบขององค์กรเช่นถ้าเ ข, ข, ข, ขาเาโกงเวลานะเราก็ต้องอช่วยกันหาทางว่าทำยังไงถึงจะให้พฤติกรรมแบบนี้มันหมดไปเราอาจจะไม่ได้จัดการหรือจอดจงที่ตัวบุคคลแต่ว่าเราพยายามสร้างระบบให้มันดีเพื่อว่า คนคนนั้นเนี่ยจะจะทำอย่างที่เคยทำไม่ได้อาจะมาคิดว่าถ้าเราเราจะเลี่ยงเราจะไม่อยากจะเกิดความขัดแย้งกับตัวบุคคลเราก็ต้องทำให้ระบบนี่มันดีประเภทว่าจะโกงเวลาก็โกงไม่ได้หรือว่าไม่สามารถจะทำได้สะดวกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของของเราซึ่งต้องรับผิดชอบต่อองค์กรนะ มะเชิญคือการคอร์รัปชันส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากคนที่มีอำนาจแล้วคนที่มีอำนาจเนี่ยเขาทำอย่างนั้นได้เพราะอำนาจเขาเยอะ เขาก็แช้อำนาจในทางที่ผิดใช่ไหมเมื่อมีอำนาจเยอะๆเนี่ยการแช้อำนาจในทางที่ผิดเนี่ยก็เป็นไปได้ง่ายแต่ถ้าอำนาจน้อยเนี่ยนะการแช้อำนาจในทางที่ผิดหรือว่าตามอำเภอใจก็ทําได้ยากจริงอยู่นะอ่าอำนาจาเริ่มสูญเนี่ยถ้าได้คนดีมาเนี่ยเขาก็แช้อำนาจนั้นเนี่ยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่ว่าคนดีมันมักจะมีน้อยกว่าคนไม่ดีหรือว่าคนที่อ่อนแอ ดั้นถ้าเกิดว่าอำนาจมันลมศูญมากเนี่ยการตรวจสอบก็แสงวงการตรวจสอบนี่ไม่ไม่มีหรือมีน้อยเมื่อการตรวจสอบมีน้อยคนที่คุมอำนาจอยู่เขาก็จะเสียคนได้ง่ายหรือเขาก็ใช้อำนาจตามอเภอใจได้ง่ายซึ่งการใช้อำนาจตามอำเภอใจเนี่ยมันก็มักจะหนีไม่พ้นการคอร์รัปชันในที่สุดอาจจะไม่ได้คอร์รัปชันเองแต่ให้พวกพ้องคอร์รัปชันนะเห็นถ้าเกว่ามีการกระจายอำนาจเนี่ยก็หมายความว่า มันมีการตรวจสอบการกระทำหน้าเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการตรวจสอบการกระทำหน้าเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าระบบไม่โปร่งใสใช่ไหมฮะการตรวจสอบเกิดขึ้นได้เพราะมันโปร่งใสใช่ไหมซึ่งอย่างนี้เนี่ยก็จะทําให้ผู้มีอานาจเนี่ยไม่สามารถจะใช้อำนาจตามเปิดใจได้มันเป็นระบบที่ช่วยทําให้การโกงการคอร์รัปชันเนี่ยทำได้น้อยลงตรวจสอบได้ง่ายขึ้นหรือมีการมีการมีการถ่วงดุลถ่วงดุล ตรวจสอบเนี่ยมันหมายถึงว่ามันทําไปแล้วค่อยมาตรวจสอบแต่จริงๆมันต้องทวงดุลก่อนใช่ไหมถ้าทวงดุลเนี่ยมันก็ทําให้จะทําอะไรตามอเภอใจไม่ได้ก็ต้องมีการมีการมีการพูดมีการคุยต้องมีเหตุผลนะถึงจะทําได้ระบบทวงดุลเนี่ยมันคือระบบที่ช่วยทําให้ผู้มีอหน้านเนี่ยไม่ทําตามอเภอใจแต่แต่ต้องใช้เหตุผลต้องใช้ข้อมูลนะอันนี้ทําไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาตรวจสอบอีกทีว่าเป็นยังไง ทำตามที่พูดหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยงั้นทวงดุลเนี่ยมันช่วยในเรื่องตั้งแต่การตัดสินใจนะมันไม่ให้การตัดสินใจนี่ผิดพลาดนะแล้วเมื่อตัดสินใจไปแล้วทําไปแล้วก็มาตรวจสอบอีกทีว่าทําตามที่พูดหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้มันลองทัาระบบทวงดุลระบบตรวจสอบเนี่ยมันก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการกระทำนาจนะแล้วการแล้วการตรวจสอบเนี่ยหรือการทวงดุลในซ้ําเนี่ยมันไม่ควรจะ เกิดขึ้นแต่ชฉพาในระบบแต่ต้องเกิดขึ้นจากนอกระบบด้วยเช่นทุกวันนี้นเราบอกว่าเออเราก็จามหน้ า, นาไปให้องบตอบอกว่ามันก ล, กลายเป็นงานการจ่ายคอร์รัปชันไปอบตอด้วยแต่ก่อนเป็นคอร์รัปชันแต่ส่วนกลางใช่ไหมแต่ทีนี้พอกระจายหน้าไปที่อบตอเนี่ยอบตก็คอร์รัปชันตามไปด้วยน ะ, ะ ท, ทั้งที่อันนี้เพราะว่ามันระบบเนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบโดยประชาชนนะมันมีระบบข้างในนะที่คอยถ่วงคอยมันมีสภาใช่ไหม แต่สภาไม่ทํางานสภาไม่ไม่ทวงดุลสภาไม่ไม่ตรวจสอบนะนายกเทศมนตรีนายกอบตอก็ใช้เงินรู้ฉวยแข่งมันต้องมีการตรวจสอบจากข้างนอกคือประชาชนใช่ไหมตรงนี้เนี่ยมันอ่อนแอไงคือว่าประชาชนยังไม่ตื่นตัวที่จะเข้ามาตรวจสอบหรือมาตรวจสอบก็จริงแต่ว่าไม่มีกําลังเพราะว่าเดี๋ยวนี้นายกอบตอก็เป็นมาเฟียน้อย ก็ก็มีใครชาวบ้านคนไหนมามาซักมาค้านมากเดี๋ยวก็เก็บเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าประชาชนเนี่ยเขาเขามีอำนาจเขามีเขาลงกันเป็นกลุ่มเนี่ยการตรวจสอบก็จะง่ายขึ้นแล้วก็การที่นายกอบตอจะทําอะไรที่น่าเกลียก็ทําได้ยากเนตมาคิดว่าเรื่องการกระจายอำนาจยังจําเป็นอยู่แต่ว่ามันต้องทําให้ให้ครบถ้วนกระบวนการไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นการกระจายการคอร์รัปชันไปทั่วประเทศ อะไรนะฮะรวมศูนย์มันเคยมีการกระจายอำนาจช่วงหนึ่งนะสมัยสองสี่ปดสมีพรบรสนะพรบรสงเนี่ยคือสมัยนั้นเนี่ยมันมีการกระจายอนาจมันมีการแยกเป็นสาสาส่วนนะฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายตุลาการมนกับเหมือนกับ ทั้งโลกเลยแล้วก็พรานี่ก็มีสังฆนายกแล้วก็สังฆราชนะสังฆนายกเนี่ยก็คือผู้บริหารสังฆราชคือประมุขนะแล้วก็ก็มีการกระจายหน้าระดับหนึ่งมันยังไม่ใช่ดีที่สุดนะแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ตอนนี้รวมศูนย์เลยก็คือปาเทวสมาคมเนี่ยเป็นทุกอย่างเป็นทั้งฝ่ายบริหารเป็นทั้งฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายด้วยแล้วเข้าตุลาการด้วยนะเป็นหมดเลยนะ คงคล้ายๆกับคอสอชอตอนนี้ไงบริหารเองออกกฎเองเนี่ยแล้วก็แล้วก็ตรวจสอบเองเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาเกิดปัญหาเหมือนกันเรเพราะว่าพอกระามหน้าแล้วเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะไปปกครองให้ทั่วถึงพระมหาเทสมาคมมีประมาณเกือบสามสิบลูกอายุส่วนใหญ่เฉลี่ยแล้วเจ็ดสิบขึ้นไป ก็ประมาณสองพันกว่าปีะนะแต่ว่าจะไปตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอยู่มานแสนกว่ารูปหรือว่าไปทำให้การพระาศาสนาทั่วประเทศเนี่ยมันจเจริญนะยางมากเพราะว่าท่านไม่มีแรงแล้วท่านก็ได้แต่ไปไปไปเปิดงานนะอันนี้ต้องต้องปรับปรุงต้องแก้ไข ไม่แยกเลยสำนักพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเลขานุ ก, การโดยตําแหน่งผู้งายเป็นคงชงช ง, งเรื่องนะชงเรื่องอย่างเดียวเลย เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าไปนะก็ก็ถือว่าเป็นตัวกํากับทิศทางของหมหาเถรสมาคมได้ไม่น้อยเลยนะสมัยก่อนเป็นกรมศาสนาแต่ตอนนี้เป็นสํนานักงานพุทธและสำนากพุทธก็เป็นข้าราชการใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยในแง่อหนึ่ง ไอความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคณะสงฆ์ก็ใกล้ชิดกันมากผ่านสำนัก ง, งานพุทธนะรัฐพูดกับตอนนี้คณะสงฆ์เนี่ยยืมมือยืมจมูกสำนักพุทธหายใจเช่นข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับคณะสงฆ์เนี่ยมาเตรีสมกกัครไม่มีกับมือเลยนะต้องถามสำนักพุทธมันมีพระกี่รูปเวลานี้ในเมืองไทยเราไม่รู้สำนักพุทธรู้หรือเปล่านะว่าพระตอนนี้น่ะมีกี่รูปในเมืองไทยนะซึ่งมัน แล้วก็ต้องแยกอย่างนะ้นว่าพระที่บวชนานพระที่บวชชั่วคราวเพอเพอนะถ้าเอาพอดจริงๆพระที่บวชนานเนี่ยมีไม่ถึงแสนนะตอนเนี้ย ไม่มีความกคนหนึ่งเขากังวลแต่ตมาไม่กังวลนะเพราะว่าตมาเห็นว่าคุณภาพสําคัญกับปริมาณนะพระน้อยลงเนี่ยตมาก็ไม่ห่วงนะขอให้มีปริขอให้มีคุณภาพที่ดีใช่ไหมจะ น, น้อยลงเนี่ยเอ่าก็ไม่ห่วงถ้าเกิดว่าชาวพุทธมีคุณภาพแต่ถ้าชาวพุทธไม่มีคุณภาพเนี่ยนะเปลี่ยนาศาสนาก็เปลี่ยนง่ายเหลือเกินหรือว่าเอ่อ ทำตัวสูนทางพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้เรื่องการมีลูกมากนี่นะถ้าเอาการพัฒนาเข้าไปนะคนก็อยากมีลูกน้อยลงมาเลเซียก็เป็นประเทศอิสลามใช่ไหมฮะแต่คนมาเลเซียทุกวันนี้เนี่ยมีลูกน้อยลงพระ อ, อะไรฮะพราะประเทศเขาจเจริญการศึกษามากขึ้นคนที่มีความสามารถขึ้นเนี่ยเขาก็จะรู้เลยวว่าไอ้การมีลูกมากๆเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ดี คนในภาคเกษตรกรรมเนี่ยต้องการมีลูกมากเพื่อลูกเนี่ยคือเป็นแรงงานแต่ถ้าเกิดการพัฒนาเป็นการพัฒนาเป็นเมืองมากขึ้นเนี่ยผู้หญิงมีโอกาสในการตัดสินใจในการมีลูกไม่มีลูกเนี่ยผู้หญิงก็อยากจะมีลูกให้น้อยลงเพราะว่าการมีลูกมากเนี่ยมันไม่ได้มีผลดีกับผู้หญิงมีผู้หญิงไม่มีเวลาดูแลลูกแล้วก็สารพัดนั่นก็เพราะว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยที่ถ้ามันมีการการพัฒนามากขึ้น ผู้หญิงมีการศึกษามากขึ้นการมีลูกก็จะน้อยลงมาเลเซียเป็นตัวอย่างใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามาคิดว่าไอ้ที่ที่ที่คนในสามจอยชนะภาคใต้มีลูกกันมากๆเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าเราไม่สนใจที่จะเอาการศึกษาให้เข้าไปการพัฒนามันยังจํากัดมากในในสามจอยชนะภาคใต้นะตมาคิดว่าถ้าเราเอาการพัฒนาเข้าไปการศึกษาให้ผู้หญิงมีส่วนในการตัด ผู้หมีการสามารถขึ้นเขาก็จะมีส่วนในการตัดสินใจการการมีลูกและมันมักจะลงเอยว่ามีลูกน้อยลงคนจีนเนี่ยนะในภาคชนบทเนี่ยอยากมีลูกมากไอ้คนในเมืองเนี่ยอยากมีลูกน้อยแต่น้อยเดนหนึ่งคนก็ยังน้อยไปสองคนอาจจะเหมาะแต่คนคนในชนบทอยากมีลูกมากแต่ถ้าเกิดว่าการศาเ้าไปถึงนะการมีลูกก็จะน้อยลงอันนี้ก ของรัฐบาลจีนว่าให้มีลูกคนเดียวเนี่ยทุกวันนี้มันต้องใช้กำลังบังคับมากเดือดร้อนววในชนบทแต่ถ้าเกิดว่าการสามไปถึงการพัฒนาไปถึงนะการใช้กำลังก็จะน้อยลงแตหง่หนึ่งคนก็ยังน้อยไปนะมาต้องสอง ใช่แล้วถ้าเราดูซีรสเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนจนนะเป็นพวกอิมิเกรชั่นรุ่นแรกๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่สองหรือสามแล้วก็มีการศึกษาเนี่ยเขาก็จะมีลูกน้อยลงนะมันมันมันเป็ น, ม, นมันเป็นผลที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาแล้วนะคือขอให้ผู้หญิงเป็นคนตัดสินใจการมีลูกนะแล้วผู้หญิงมีการศึกษาเนี่ยผู้หญิงจะตัดสินใจให้มีลูกน้อยลงมันเป็นมันแทบจะเป็นธรรมชาติของทั่วโลกเลย ไอ้ที่ไม่รูกมากเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงตัดสินใจนะผู้ชายตัดสินใจนั่นแนหะ